นั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเท่ากับบอกว่านั่นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นสัตทินซีนั่นสมาทินซีนั่นปัญญินีนั่นอริยมรรอัปนิหิตาวิโมกอานิมิตาวิโมกสุญญ า, าวิโมกนั่นนิพพานนะนะมันโอ้โปรงตรัสไปลึกซึ้งมากเลยนะแล้วก็อนุโมทนาด้วยที่ได้ยินได้ฟังดูข้อความในวิสุทธิมรรต่อเลยนะในหน้า สองร้อยหกสิบสี่ข้อเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดในญานเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะตัวอนิจจงทุกขังอนัตตาตัวนี้เป็นเป็นตัวรหัสชี้ชีวิปัสสนาอย่างหนึ่งชีอินทร์ชีอริยมรร ชีแม้กระทั่งว่านิาพพานที่รู้แจ้งแทงกลอดนั้นเป็นเช่นไรในขณะเดียวกันอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาหน้าตานุปัสสนาเป็นตัวกำหนดพระอริยะบุคคลด้วยว่าผู้ที่จะบรรลุนั้นจะเป็นพระอริยะประเภทใดมาดูพระอริยะบุคคลเจ็ดจำพวกกันนะหนึ่ง สัทธานุสารี 2. สองัทธาวิมุตติสกายสกิสี 4. อุปโตภาควิมุตติห้าธรรมานุสารี 6. ทิฏฐิปะตะเจปัญญาวิมุตติสังขารุเปกขายานี้ย่อมเป็นปัจจัยแก่การจำแนกพระอริยบุคคลเหล่านั้นสรุปว่าอนุปัสสนาทั้งหลายเป็นตัวกำหนดตัวชี้ว่าผู้บรรลุนั้นควรจะได้เป็นพระอริยประเภทใด ใครกำหนดได้บ้างว่าถ้าฉันจะบรรลุจะบรรลุแบบไหนยอมหลายคนบอกอะไรก็ช่างเหอะเขาให้บรรลุอะอย่างเดียวนี่หรือเปล่าบอกอันนี้มันง่ายไปมั <c> ้ง <oughs> <c oughs> มาดูนะว่าด้วยว่าพระย่าบุคคลเหล่าใดมนุษยการว่าไม่เที่ยงเป็นผู้มากไปด้วยอธิมโมกย่อมได้สัตทินรียพระร่าบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าสัทานุสารีในขณะโสดาปฏิมาศ เชื่อว่าศรัทธาวิมุตในฐานะเจ็ดที่เหลืออันนี้จังอย่างเดียวนะทําให้เป็นพระอริยะใช่ไหมตอนบรรลุเป็นพระโสดาบันเรียกอะไรน ะ, ะขณะโสดาปฏิมักเรียกว่าสัทธานุสารีสรัทธานุสารีเพราะมนุษยการว่าอันนี้จังมากไปด้วยอธิโมกอินทรีย์คือศรัทธาขณะเป็นพระโสดาบานันขณะโสดาปฏิมักเกิดเรียกว่า ศรัทธานุสารีเพราะเป็นผู้มากไปด้วยศรัทธาจริงๆอะเ น, นีคือคนที่ที่ใส่ใจถึงความไม่แน่นอนเนี่ยนะเป็นคนที่เชื่อมั่นผู้อื่นมากพูดอีกนายหนึ่งนะท่านเช่นว่าถ้าถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยแน่นอนทุกอย่างไม่แน่นอนโดยมากเชื่อหัวหน้าใช่ไหมเพราะเพราะว่าทุกอย่างพร้อมที่จะแปรแปรไ ด, ได้ได้ตลอดเวลาเหมือนกับว่าทุกอย่างมันไม่มั่นคงเอาเลย เชื่อใครเป็นหลักก็ต้องเชื่อหัวหน้าเป็นหลักฉันใดผู้ที่มนุสยการว่าสัางขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยพวกนี้น้อมใจเชื่อในพระพุทธเจ้ามากนะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าเกินเนี่ยมีไหมถ้าศรัทธาไปที่พระคุณจริงๆอ่ะไม่มีคําว่าเกินแต่ที่ศรัทธาในรูปเนี่ย อ, นนอันนี้อันเนี้ยเกินไปเช่นพระวกลี่เงี้ยนะนั้นก็คือว่าเกินไป คือถ้าเกินเนี่ยปัญญาไม่ได้ทํากิจของปัญญาแต่ถ้าหากว่าศรัทธาที่ที่สามารถให้ปัญญาได้ทํากิจเช่นเป็นศรัทธาที่เห็นพระคุณเนี่ยเป็นศรัทธาที่เห็นพระคุณจนสามารถมณสิการอริยสัจได้น้อมใจเชื่อในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง น, นะพวกนี้เชื่อจนเห็นอริยสัจ น, นะเชื่อจนบรรลุอริยสัจได้ในเรียกว่าขณะโสดาปติมัคเชื่อว่าศรัทธานุสารี โซดาปฏิผลสกธ า, าคามีมรักสกาธาคามีผลอนาคามีมรักอนาคามีผลอรหัตมรักอรหัตตผลอีกเจอย่างนะคือก็มรษีผลศีใช่ไหมตัดโซดาปฏิมรษีออกไปก็เหลือเจ็ดเจ็ดที่เหลือเนี่ยนะเบื้องสูงเรียกว่าศัทธาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยศรัทธาหลุดพ้นด้วยศรัทธาส่วนว่าพระอริยะบุคคลใดมนานสิการว่าเป็นทุกข์มากด้วยปัสสธิ ย่อมได้ซึ่งสมาธินีพระยาบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นกายสักขีในฐานะทั้งปวงนนก็มนสิการโดยทุกขลักษณะมากนะพวกนี้ต้องการความสงบนะผู้ใดที่เห็นความร้อนมากสิ่งที่ต้องการคือความสงบเปรียบเหมือนอะไรนะเปรียบเหมือนคนที่หิวมากก็นึกถึงแต่ความอิ่มใครที่เห็นความทุกข์มากก็เหมือนกันก็ต้องการสมาธิเพราะว่า จิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันระงับความทุกข์ได้ทีเมื่อสมาธิตั้งมั่นอาศัยสมาธิเป็นบาตรเจริญวิปัสนาบรรลุปเป็นพระอริยะเนี่ยพวกนี้เรียกว่ากายสักขีในฐานะทั้งปวงฐานะไหนฐานะก่อนอฐานะจนถึงอรหัตตมรรคอะถ้าอารหัตตผลไปแล้วเรียกอุปโตภาควิมุต ส่วนท่านที่บรรลุอรูปฌานแล้วบรรลุอัครผลชื่อว่าอุปโตภาควิมุตตตรงนี้เนื้อหาชัดเจนดีจริงๆอ่ะต้องดูในมัชฌิมานิกายกีตาคิริสูตรทั้งสูตรและอัตถกถาจะเห็นชัดเนี่ยนะว่าคำว่ากายสักขีบุคคล น, นั้นไม่ได้ใช้ถึงระารหัสนะใช้เฉพาะพระริยะเบื้องล่างที่ได้อรูปฌาน ได้อรูปฌานนะได้อารูปฌานะาาแล้วบรรลุมรรคผลไปจนถึงอรหัตตะมรกเรียกว่ากายสักขีในขณะอรหัตตะผลเกิดขึ้นเรียกว่าอุพโตภาควิมติส่วนว่าพระรายิบุคคลใดมนสิการว่าเป็นอนัตตาเป็นผู้มากด้วยเวทย่อมได้เฉพาะซึ่งปัญญีพระรายิบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นธรรมานุสารีในขณะโสดาปฏิมรพวกนี้ปัญญาเยอะนไ ธรรมะในธรร ม, มานุสารีเนี่ยนะธรรมะตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญาธรรมะแปลว่าปัญญาก็ได้ธรรมานุสารีตรงนั้นเนี่ยแปลว่าผู้ที่ตามระลึกด้วยปัญญาตามระลึกด้วยปัญญาในอริยสัจเห็นอริยสัจชื่อว่าธรรมานุสารีส่วนอริยมรรคที่เหลือหลังจากนั้นไปก็เรียกว่าทิฏฐิปัตตะหมายถึงว่าโซดาปฏิผลจนถึงอรหั ต, ตมรรคนั้นเรียกว่าทิฏฐิปัตตะ ในขณะอรหัตผลเรียกว่าปัญญาวิมุตต์สรุปว่าพิจารณาอนัตตา ม, มากบรรลุสโสดาปติมารคเรียกว่าธรรมานุสารีโสดาปติผลจนถึงอรหัตมารคเรียกว่าทิทถิ ป, ป ต, ตะขณะอรหัตผลเรียกว่าปัญญาวิมุตต สมจริงดังที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธามมักว่าเมื่อพระโยคาวจรมนาศิการว่าไม่เที่ยงเป็นอ่าไม่เที่ยงเนี่ยนะสัตทินรีย์ย่อมมีประมาณยิ่งเพราะความที่สัตทินรียมีประมาณยิ่งจึงได้มาซึ่งโซดาปฏิมักเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัทานุสารีอันนี้จังมากๆ ก, ก, ก็บรรลุได้เหมือนกันนะอันนี้จังมากๆเป็นไงบุญก็ไม่เที่ยงไงหรือว่า ให้ทานก็ไม่เที่ยงรักษาศีลก็ไม่เที่ยงเจริญภาวนาก็ไม่เที่ยงพอไหมอย่างงี้แล้วตกลงทำไงอั น, นิจังเนี่ยเขาใช้กับทุกขัาสตร์กับสมุทัยศัสตร์เนะนะนี่ยนะทัวอีกครั้งหนึ่งนะอยากจะย้ำ ม, มากเป็นพิเศษเพราะบางคนอั น, นิจังเนี่ยมีวัดแห่งหนึ่งนะสมณเณเนี่ยไปทำข้าวของเสียหายก็อั น, นิจังทั้งปีบอกว่าเอออนิจังแบบนั้นต้องใช้สงนะ นะถ้าอะไรนะประมาทเพอ้อเร่ทำของสองเสียหายเนี่ยอันนี้จังแบบนั้นนี่ต้องใช้คืนแต่อันนี้จังในที่นี้หมายถึงระดับอริยสัจเนี่ยนะปริญญาธรรมควรกําหนดรู้ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไอกำหนดรู้เพื่อความเป็นอโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะได้ละอะไรก็จะละโทสะหรือละบาปอากุศลนะะแต่ตรงนี้ถ้ายกตัวอย่างว่าราคาโทสะโมหานั้นมนสิการว่าไม่เที่ยงละโทสะ ถ้ า, าตันหามานะที่ถี่นั้นมานสิการว่าไม่เที่ยงละมานะนั่ น, น, นการเห็นความไม่เที่ยงมุ่งละสมุทัยสัตว์ที่จะละได้จริงนั้นจะต้องแทงตลอดพระนิพพานที่เรียกว่าอานิมิตะบรรลุอริยมรรคที่เรียกว่าอานิมิตตวิโมกไปแล้วจึงจะมีการละได้อย่างเด็ดขาดแท้จริงนั้นผู้ที่ไม่เที่ยงมากๆเนี่ยจะมากไปด้วย สมาธิอืมขอโทษศรัทธาสิอยมเมาแล้วมั้งเนี่ยศตินทรีเนี่ยนะศรัทธาใกล้จะจบแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละชรามากแล้วเดี๋ยวก็มรณะนะมาดูเ อ, อต่อไปนะว่าเมื่อพระโยคาวจรมานสิการว่าไม่เที่ยงสศตินทรีย่อมมีประมาณยิ่งเพราะความที่สศตินทรียย่อมมีประมาณยิ่ง โสดาปฏิผลเป็นอันเธอทำให้แจ้งได้เพราะเหตุ น, นั้นจึงเรียกว่าสัท ธ, ธาวิมุตเป็นต้นนี่ก็หนังตัวอย่างเป็นธรรมะตัวอย่างนะะรายละเอียดก็ดูเต็มในปฏิสัมพิทาซึ่งเชื่อว่าถ้าเราไม่เลิกก่อนก็เรียนถึงแม้ยังกล่าวกล่าวไว้แม้อื่นอีกว่าพระโยคาวจรเมื่อเชื่ออยู่จึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเหตุ น, นั้นจึงชื่อว่าสัท ธ, ธาวิมุต ผู้ที่ได้ศรัทธาวิมุตต์เนี่ยนะก็เพราะเจริญอะไรนะเจริญอนิจจังใช่ไมเจริญอนิจจังมากไปด้วยสัททินสีสัินีขณะโซดาปฏิมากรเรียกว่าสัทธานุสารีโซดาปฏิผลจนถึงอรหั ต, ตผลเรียกว่าสัทธาวิมุตต์กระทำให้แจ้งฌานที่ตนถูกต้องแล้วเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า กายสักขีกายสักขีนี้เน้นไปที่ไหนเน้นที่ได้อารูปฌานฌานตัวนั้นเน้นพิเศษคืออรูปฌานบรรลุในบรรบรรลุในลำดับแห่งธรรมที่ได้เห็นแล้วเพราะเหตุ น, นั้นจึงชื่อว่าทิฏฐิปัตสะเมื่อเชื่ออยู่จึงหลุดพ้นเพราะเหตุ น, นั้นจึงชื่อว่าสัทธาวิมุตถูกต้องฌานะภัปสสะคืออรูปฌานก่อนภายหลังกระทําให้แจ้งนิโรธคือพระนิพพาน คือทำนิพพานให้แจ้งในภายหลังเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากายสักขีนะยานว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นิโรธเป็นสุขเป็นอันพโยคาวจรได้รู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทําให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐิปัตะเมื่อใดเนอะจะเห็นว่าจักขู่เป็นทุกข์จักขู่เป็นทุกข์ความดับจักขู่เป็นสุขนั่นแหละเรียกว่าทิฏฐิปัตะนะ เห็นว่าโสตะเป็นทุกข์ความดับโสตได้เป็นสุขก็คือเท่ากับบอกว่าโสตะโสตสมุทยัยโสตนิโรโสตนิโรถาคาขมินีปฏิปทาพันไม่ใช่คิดว่าเออถ้าดับได้คงสบายแค่นี้ไม่พอแน่นอนถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจส่วนในสี่จำพวกนอกนี้เพื่อทราบความหมายของคําอย่างนี้ว่าเล่นไปตามศรัทธาหรือเล่นไปตามสมควรคือถึงด้วยศรัทธาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า สัทธานุสารีอย่างนั้นเหมือนการเล่นไปตามปัญญาหรือว่าเล่นไปตามสมควรด้วยธรรมคือปัญญาเนะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าธรรมานุสารีหลุดพ้นด้วยส่วนทั้งสองคือด้วยอรูปฌานด้วยพระอระยะมรตเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอุปโตภาควิมุตเมื่อรู้อยู่จึงหลุดพ้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัญญาวิมุตเนี่ยเนื้อหาที่กล่าวไปทั้งหมดนี้เน้นเน้นให้เห็นว่าอานิจจังทุกขังอนัตตา ที่ดีมีคุณภาพถูกต้องอย่างแท้จริงนั้นจะต้องเจริญด้วยอินทรีย์คือศรัทธาสมาธิหรือปัญญาแล้วก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลทั้งเจ็ดประเภทอนัตตาถ้ารู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆสรุปใครเห็นอ น, นิจจังจริงบ้างก็ขอนอบน้อมแก่ผู้นั้นผู้มีปัญญาผู้มีศรัทธานนถ้าหาว่าผู้ใดเห็นทุกขังจริงผู้นั้นก็มี สมาธิเนี่ยนะก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลผู้ใดเห็นทุกจริงก็ขอนอบน้อมแก่ผู้นั้นผู้เป็นพระอริยบุคคลผู้ใดเห็นอนัตตาก็ขอนอบน้อมแก่ผู้นั้นผู้เป็นพระอริยะบุคคลอันในห้องเรานี่ถ้าใครเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาจริงก็ขอนอบน้อมต่อผู้นั้นผู้เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยนะถ้ายังล่ะจักทาในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังขอให้การปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เธินอันวันนี้ยังแต่สักวันหนึ่งเธอนเนาะอน น, น้ถ้าไม่บรรลุแล้วจะไปไหนก็อยู่วัตตะนี่แหล ะ, ะพูดถึงข้อความในกีตาคีริสูตร ส, สักเล็กน้อยอนนเล็กน้อยนี่ครึ่งชั่วโมงพอไหม ที่กีตาคิริสูที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงถึงพระอริยบุคคลเจ็ดประเจ็ดจำพวกเนี่ยนะข้อความในพระสุ ต, ตันตปิฎกมัชิมนิกายมัชิมปัญนาสภิกุวักะนะวักว่าด้วยภิกษุทั้งหลายพระสูตรชื่อว่ากีตาคิริสูตรสันปกเล่มยี่สิบข้อสองร้อยสามสิบที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกเจ็ดจำพวกเป็นไฉนหนึ่งอุพโตภาควิมุตตนะแปลว่าหลุดพ้นโดยส่วนสองข้อแรกนะสองปัญญาวิมุตตบุคคลคือพระอรหันต์สกายสั ข, ขีบุคคลสทิฏฐิปตัตะบุคคลหสัทธาวิมุตตบุคคลหธรรมานุสารีบุคคลเจ็ 7. สัทธานุสารีบุคคล อุพโตภาควิมุตกับปัญญาวิมุตต์นั้นเป็นชื่อของพระอรหันต์อย่างเดียวอุพโตภาควิมุตกับปัญญาวิมุตต์นะส่วนพระอารยาบุคคลล่างกว่านั้นนี้เป็นพระเสขาบุคคลคือยังไม่บรรลุปเป็นพระอรหันต์ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็อุพโตภาควิมุตบุคคลเป็นไงนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคื อ, อรูปสมาบัติล่วงรูปสมาบัติด้วยกายอยู่ ด้วยนามกายเนี่ยนะและอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจนั้นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรากล่าวว่าอุปโตภาควิมุตติบุคคลล่วงรูปสมาบัติ ด, ด้วยนามกายคือด้วยด้วยรูปฌานเน่ยนะหลุดพ้นจากอาสวะด้วยปัญญาเห็นอริยสัจนี้เรียกว่าอุปโตภาควิมุตติภาถารหันอย่างเดียวนะ ดูการพิสูุทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่มีแก่ภิสูจน์นี้คนนั้นเพนราะเหตุไรเพราะกิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทพิสูุนั้นทําเสร็จแล้วและภิสูจนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะประมาทพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านบรรลุด้วยความไม่ประมาท <itez? S 2> เมื่อท่านบรรลุแล้วเนี่ยนะท่านไม่ต้องทํากิจแบบคนไม่ประมาทอีกต่อไปแต่ท่านอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะ ท่านสิ้นความประมาทโดยเด็ดขาดแล้วนี่มาดูข้อความในอัตถกถาที่ท่านยกข้อความจากที่อื่นมาท่านบอกว่าคําว่าอุปโตภาควิมุตเนี่ยนะพู้พ้นโดยส่วนสองอุปโตภาควิมุตนั้นหมายถึงพ้นจากรูปประกายด้วยอรูปสมาบัติอันนี้ข้อแรกนะข้อหนึ่งก่อนหลุดพ้นโดยส่วนที่หนึ่งคือหลุดด้วยอรูปฌาน พ้นจากนามกายด้วยอริยมรรคพ้นจากรูปทั้งหลายด้วยอรูปคือด้วยอรูปฌานพ้นจากนามทั้งหลายด้วยปัญญาหรืออริยมรรค่ะนะบุคคลนั้นออกจากสมาบัติอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแห่งอรูปสมาบัติสี่พิจารณาถึงสังขารแล้วออกจากนิโรธของบุคคลสี่จำพวกผู้บรรลุพระอรหันต์เป็นห้าบุคคลด้วยสามารถแห่งพระอนาคามีผู้บรรลุพระอรหัต อันหนึ่งบาลีในบทนี้มาแล้วด้วยสามารถแห่งบุคคลผู้ได้วิโมกแปดในอภิธรรมเดี๋ยวสรุปให้ดูสักนิดนึงไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์มานานนะ <c oughs> ก็เคยเขียนให้ดูบ้างแลนะ้วเนอะ อ, อุพัโตภาคาวิมุต อุพโตภาคาวิมุตทั้งหมดมีเท่าไหร่นะทั้งหมดเลยจริงๆมีห้ารู้กันว่าคำนี้ใช้กับผ่ารหัสอย่างเดียวหนึ่งหนึ่งคือระดับอากาสาัญจายตนะแล้วก็อรหั ต, ตผลในข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคือท่าน พ้นจากรูปปัจฉานด้วยอากาสานัญ จ, จายตนะท่านพ้นจากอากาสานัญจายตนะด้วยอรหัตตะมักเนี่ยนะด้วยอริยมรรคไปเลยผู้ที่สองก็คือได้วิญญาณัญจายตนะแล้วก็บรรุษอรหัตอีกเหมือนกันสามได้อากินจัญญาเยตนะแล้วก็บรรุษอรหัตสี่ได้ เนวสัญญาแล้วก็บรรุเป็นพระอรหันต์ประเภทที่ห้าคือพระอนาคามีอยู่แล้วพระอนาคามีเข้านิโรธสมาบัติออกจากนิโรธสมาบัติเจริญิปัสนาบรรุเป็นพระอรหรันต์ท่านอุพโตภาคามิมุติมีห้าประเภทด้วยกันเฉพาะพระอรหันต์อย่างเดียวนะพระญราะะบุคคลประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคือคืออะไร ปัญญาวิมุตตปัญญาวิมุตตทั้งหมดมีอยู่ห้าท่านด้วยกันปัญญาวิมุตตมีอยู่ห้าท่านนี้ก็ใช้เฉพาะพระอรหันต์อย่างเดียวใช้เฉพาะพระอรหันต์ประเภทที่หนึ่งได้ปฐมฌานได้ปฐมฌานแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ปฐมฌานแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทที่สองได้ ทุติยชาญแล้วก็เป็นพระอรหันต์ประเภทที่สามได้สตติยชาญและบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทที่สี่ได้จะตุทัชาญแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทที่ห้าห้าห้าอะไรห้าห้าสุขาวิปัสสกสุขาวิปัสสกะเนี่นะ ผู้ที่เจริญจนได้ปฐมฌานอาศัยปฐมฌานเป็นบาทบรรลุเป็นผ้าหาัน์ก็เรียกปัญญาวิมุตต์ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองได้ทุติยฌานและเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นผ้าหาาตตาาันก็เรียกว่าปัญญาวิมุตต์ประเภทที่สได้ตติยฌานและเจริญวิปัสสนาก็เป็นปัญญาวิมุตต์ได้เจตุตยฌานเจริญวิปัสสนาก็บรรลุบรรลุเป็นผ้าหาันก็ชื่อว่าปัญญาวิมุตต์ส่วนประเภทสุดท้ายเนี่ยนะไม่ได้ฌาน ไม่ได้สมถะที่เป็นฌานพูดรวมๆ ว, ว่าไม่ได้ฌานไม่มีฌานแม้แต่ปฐมฌานเป็นบาทปฐมฌานก็ไม่ได้แต่เจริญวิปั ส, สนาบรรลุเรียกว่าสุขาวิปัสสกพระในสมัยพุทธกาลนี่มีไม่ใช่น้อยท่านไม่ได้ฌานแต่ท่านก็เจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระอรหรันต์พวกนี้รวมถึงว่าได้อุปจาระสมาธิเน้นว่าอุปจาระสมาธิเป็นบาป เช่นพวกเจริญปฏิคูลมรณาสิการเจริญมรณานุสติและเจริญนิปัสนาเนี่ยนะมรณานุสติอาหารปฏิคูลสัญญากําหนดท่าสี่ท่าสี่แบบเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ปสมไมชานนะทาสี่แบบพาศนะท่าจตุธาตุวัฏานพวกเจริญพวกนี้ไม่ได้ชานแต่ก็พิจารณาแล้วสามารถบรรลุเป็นพาศอาหารได้อั้นพาศอาหารนี้จึงแบ่งออกเป็นสองสองกลุ่มใหญ่ๆคืออุพโตภาควิมุตกับ ปัญญาววมุดข้างหลังมองเห็นหมดนะมองเห็นไหมเห็นหไม่เห็นใช่ไหมเห็นว่าสีก็พอละส่วนกายาสักขีบุคคลนี่มาดูพระอริยบุคคลล่างๆ ล, ล, ล, ลงมานะล่างก็ต่ากว่าพระอรหันต์ล่างลงมาก็คือพระอนาคามีเป็นต้นลงมา หรือแม้กระทั่งอรหัตตะมักนะอรหัตตะมักก็เชื่อว่าล่างอยู่แล้วนะถ้าเทียบกับอรหัตตผลถ้าเทียบกับปุถุชนโอ้โหสูงสูงส่งเทียบกันไม่ติดเขาบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยนะห่างไกลาจากปุถุชนนี่ห่างกันไม่รู้จะห่างขนาดไหนเทียบกันไม่ติดบอกว่าถ้าเปรียบเหมือนปุถุชนเนี่ยเหมือนกลางคืนเดือนมืดที่ฝนตกฟ้าขนองดลาคืนเดือนมืดใช่ไหมฝนก็ตกด้วยอะไรด้วย ถ้าพระโสดาบันก็เหมือนกับว่าอะไรกลางวันนะแต่ก็ยังพอมีเมฆฝนอยู่แต่ก็กลางวันสว่างบ้างแล้วผ้านาคามีก็เบาบางลงไปเออขออภัยพระสกอาคาคามีก็เบาบางพผ้านาคามีก็มีแต่ก้อนเมฆบินผ่านบ้างนิดหน่อยแต่ผ้าอรหันก็สว่างสวยไปหมดปุตุชนก็กลางคืนเดือนเม็ดฝนตกฟ้าขนองฝนฟ้าคํารามด้วยม่เชื่อลองไปส ก, กิดดูดิส ก, กิดแล้วได้เรื่องเลยนะ หยิบหนังสือออกต่อหน้าต่อตาดูเถิฟ้าจะผ่าบุคคลชื่อว่ากายสักขีเพราะทําให้แจ้งธรรมที่ถูกต้องแล้วนั้นน่ะบุคคลใดถูกต้องผัสสะคือฌานครั้งแรกภายหลังจึงทําให้แจ้งนิพพานอันดับสนิทแม้บุคคลนั้นมีหตั้งแต่บุคคลตั้งอยู่ในโซดาปฏิพันธจนถึงอรหัตตมรรคเพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่าบุคคลในโลกนี้ถูกต้องวิโมก8ดด้วยด้วยกายอยู่อาสวะบางเหล่าของบุคคลนั้นสิ้นไป เพราะเห็นอริยสัจจะทำด้วยปัญญาบุคคลนี้เรากล่าวว่ากายสกขีบุคคลหมายว่าได้ได้อากาสารัญจัยยตนะแล้วบรรลุโสดาปติผลสกธาคามีมักสกธาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลเป็นต้นเน่ยอรหันตมักพวกนี้เรียกว่ากายสกขีกายสกขีคือขอให้ได้รูปอรูปประชานก่อนแล้วบรรลุอริยมักอริยผลแต่ว่าไม่ยั้งไม่ถึงอรหันนะล่างกว่าอรหันเนี่ย ถ้าเป็นผ้าอาหารเรียกอุปโตภาควิมุตใช่ไหมถ้าล่างกว่าผ้าอาหารก็เรียกว่ากายยสักขีถ้าโดยสัพ์ก็มีกายเป็นพยานผู้มีกายเป็นพยานนามกายนะนามกายพวกนี้เน้นพวกที่ได้อารูปฌานส่วนบุคคลชื่อว่าทิฏฐิปั ต, ตะเพราะบรรลุธรรมที่เห็นแล้วในบทนี้มีลักษณะโดยสังเขปต่อไปนี้ที่ชื่อว่าทิฏฐิปั ต, ตะบุคคลเพราะเป็นผู้รู้เห็นแจ้ง ทำให้แจ้งถูกต้องด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์การดับสังขารทั้งหลายเป็นสุขคนนี้ก็เรียกว่าทิฏฐิปั ต, ตะมีปัญญามากเนี่ยนะมีปัญญามากหมายตั้งแต่ทิฏฐิปั ต, ตะนี้ตั้งแต่ระดับไหนเป็นต้นไประดับโสดาปติผลโสดาปติผลจนถึงอรหัตตมรักที่มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมีปัญญาเป็นตัวนําในการปฏิบัติ พวกนี้เรียกว่าทิติปัตะบุคคลส่วนพวกศรัท ธ, ธาวิมุตต์นะศรัท ธ, ธาวิมุตต์ก็คือบุคคลนั้นมีหกที่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่มีศรัท ธ, ธาน้อมใจเชื่อบรรลุโสดาปฏิผลจนถึงอรหัตธรรมพวกนี้ก็เรียกว่าศรัท ธ, ธาวิมุตต์ศรัท ธ, ธาวิมุตต์บุคคลเขาบอกว่าศรัท ธ, ธาวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์มันต่างกันอย่างนี้นะมาดูจริงอยู่ในบุคคลเหล่านี้ขณะ ของกิเลสย่อมมีแก่ศรัทธาวิมุตติบุคคลดุดแก่ผู้เชื่อดุดแก่ผู้สำเร็จและดุดแก่ผู้น้อมใจเชื่อในขณะมักอันเป็นส่วนเบื้องต้นยานตัดกิเลสของทิฏฐิปะตะ บ, บุคคลเป็นยานปรารบขมกล้าย่อม น, นำไปในขณะแห่งมักอันเป็นส่วนเบื้องต้นเพราะฉะนั้นทิฏฐิปะตะ บ, บุคคลนี่เหมือนอะไรเหมือนเอาดาบที่ไม่คมตัดต้นกล้วยที่ที่ขาดย่อมไม่เกลี้ยงกล่ำดาบก็ไม่ผ่านไปฉับพลัน บันผู้ที่บรรลุด้วยศรัทธาเนี่ยนะถ้าเทียบกับปัญญาแล้วศรัทธานิชาเพราะเวลาตัดเหมือนกับดาบไม่คมเนี่ยตัดต้นกล้วยผ่านก็ผ่านไม่ดีเสียงก็ดังใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมาอย่างแรงฉันใดการเจริญมัชอันเป็นส่วนเบื้องต้นของศรัทธาวิมุตติบุคคลก็ฉัดเปรียบเหมือนฉันนั้นอันหนึ่งเหมือนเอาดาบที่รับจนคมกริบ ตัดต้นกล้วยที่ที่ตัดแล้วก็เกลี้ยงเกลาดาบก็ผ่านไปได้ฉับพลันเสียงก็ไม่ได้ยินไม่ต้องพยายามอย่างแรงฉันใดเพิ่งทราบการเจริญมักอันเป็นส่วนเบื้องต้นของปัญญาวิมุตตบุคคลก็ฉันนั้นมาดูพุทธพจน์ ท, ที่กล่าวถึงพระอริยบุคคลย้อนอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้ที่อ่านในพุทธพจน์นั้นอ่านอุปโตภาควิมุตตไปแล้ว นี่มาดูปัญญาวิมุตต์บ้างข้อสองร้อยสามสิบสองพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็บุคคลผู้มีปัญญาวิมุตต์เนี่ยเป็นไงดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคือไม่ได้อารูปสมาบัติเหมือนนล่วงรูปสมาบัติอยู่ด้วยกายสรุปว่าไม่ได้อารูปประชานแต่อาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็นอริยสัจนั้นด้วยปัญญาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคล น, นี้เราก็เรียกว่าปัญญาวิมุตต์บุคคลดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่มีแม้แก่พิสูจนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทพิสูจนนั้นทําเสร็จแล้วและพิสูจนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะประมาทก็เป็นพาธฐานไปแล้วก็เลิกประมาทนั่นนะ เพราะพาหานี้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างไพ่บูร์ดูกราพิสูจนทั้งหลายก็กายสัก ข, ขีบุคคลเป็นไฉนดดูกราพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคืออรูปสมาบัติล่วงรูปสมาบัติ ด, ด้วยกายอยู่และอาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาบุคคลนี้เราเรียกว่ากายสัก ข, ขีบุคคล พิเศษเน้นตรงไหนกายสกขีเน้นตรงที่ว่าท่านได้อารูปฌานแล้วบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแต่ก็ยังไม่ถึงอรหัตผลบุคคลเหล่านี้เรียกว่ากายสกขีบุคคลดูก่อนพิสูุทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่ภิสษุนี้ข้อนั้นเพราะเหตุใดดูก่อนพิสูุทั้งหลายเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่า ฉไนท่านผู้นี้เมื่อเสพเสนาธนาเสพเสนาสนะที่สมควรครบหากัลายาณมิตรทมอินทรีย์ให้เสมออยู่เพื่อทำที่สุดพรหมจันทร์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบุตรเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองได้ในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ดังนี้เราจึงกล่าวว่ากิจที่ควรทาด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่ภิกษุนี้ ถึงท่านได้อรูปฌาบนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลพระพุทธเจ้าก็ยังสอนว่าท่านต้องทํากิจอยู่นะแล้วกิจที่ท่านทํากิจคือการบําเพ็ญไตรสิกขาเนี่ยนะยังต้องทําอีกพระโสดาบันเนี่ยนะสิกขาไหนสมบูรณ์ศีลและสิกขาสมบูรณ์มีจิตตสิกขาหรืออธิจิตเนี่ยพอประมาณอธิปัญญาพอประมาณพระสกะทาคามีก็ในยะเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะต้องทํากิจ ด, ด้วยความไม่ประมาทในการเจริญอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาถ้าเป็นพระอนาคามีไปแล้วล่ะพระอนาคามีนี้มีอธิศีลสมบูรณ์มีอธิจิตสมบูรณ์แต่อธิปัญญายังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นกิจที่จะต้องทําคืออธิปัญญาอันที่จริงผู้ปฏิบัติทำเนี่ยนะจะเรียกว่านักธุรกิจก็ไม่ผิดน ะ, ะถ้าลองแยกศัพท์ดูสิธุรามีกี่อย่างจะเหมยธุรามีกี่อย่าง ธุระมีสองอย่างใช่ไหมคือหนึ่งคันถะธุระสองวิปั ส, สนาธุระธุระมีสองแล้วกิจมีกี่อย่างกิจมีกิจในการบําเพ็ญอธิศีลกิจในการบําเพ็ญอธิ จ, จิตกิจในการบําเพ็ญอธิปัญญาก็ผู้ประกอบด้วยธุรกิจเหมือนกันนักธุรกิจภายนอกสแสวงหาโลกิยาทรัพย์ธุรกิจภายในสแสวงหา อ, อ, อ, อริยาทรัพย์หรือสแสวงหาโลกุตระทรัพเนี่ยนะ ก็แสดงว่าสนามแห่งธุรกิจเหมือนกันนะตอนนี้เราเรียนวิชาอะไรนะตอนนี้กำลังทำธุระอยู่คือคันธะธุระ <laughs> เพื่อจะได้ทำกิจถูก <laughs> คือกิจในการบาเพ็ญอธิศีนอธิจิตและก็อธิปัญญาเนี่ยนะมันผู้ที่ยังประกอบกิจคือการบาเพ็ญไตรสิกขาผู้นี้จะต้องยังยังต้องไม่ประมาทจะต้องหาเสนาสนะที่สมควร พระพุทธเจ้ายังตรัดว่าเสนาสนะที่สมควรนี่สําคัญนะแล้วก็ต้องมีกลยานามิตรเนี่ยนะต้องอาศัยกลยานามิตรแล้วก็ปรับอินทรีย์ให้เสมอต้องทําอินทรีย์ให้เสมอถ้าหากว่าทำํำความรู้ดีเนี่ยนะถ้าได้เสนาสนะที่สมควรคบหากลยานามิตรแล้วก็ทําอินทรีย์ให้เสมอได้จะทําที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าที่สุดแห่งพรหมจรรย์อยู่ที่ไหน อยู่ที่อรหัตผลขณะอรหัตตมรกเรียกว่าประพฤติขณะตำลังประพฤติพรหมจรรย์อรหัตผลชื่อว่าที่สุดแห่งพรหมจรรย์นะขณะอรหัตผลไปแล้วชื่อว่าที่สุดแห่งพรหมจรรย์ดูก่อนพิสูทั้งหลายทิฏฐิปั ต, ตะบุคคลเป็นไงนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคืออรูปสมาบัติ ล่วงรูปสมาบัติด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัตว์นั้นด้วยปัญญาอันหนึ่งรำทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นธรรมะอันผู้นั้นเห็นแจ้งด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วบุคคล น, นี้เราเรียกว่าทิฏฐิปั ต, ตะบุคคลดูกอนพิสูุทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทาด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่ภิกษุแม้นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของพิสูจน์เช่นนี้ว่าฉะนั้นท่านผู้นี้เสพเสนาสนะที่สมควรคบหากะรยาณมิตรทําอินทรีย์ให้เสมออยู่พึงทําที่สุดพรหมจันทร์อันไม่มีทำอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ดังนี้เราจึงกล่าวว่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้ขนาดเห็นอริยสัจบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ยังยังต้องทํากิจด้วยความไม่ประมาทไม่จํากล่าวถึงปุตุชนทั้งหลายนี่ขนาดพระอริยบุคคลนะพระองค์ยังสอนว่าอย่าประมาทนะเธอต้องไม่ประมาทเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระอนาคามีท่านหนึ่งพระภิกษุที่เป็นพระอนาคามีนะนั่นก็บอกเออเราก็บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วนะ ชาญเราก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเพียรอะไรให้มากแล้วอยู่สบายๆก็ได้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเลยนะพระองค์ก็เสด็จเขบอกว่ า, วาอย่าอย่าพิ่งดีใจนะในแค่นี้คือพระองค์ไม่ให้สันโดษไม่ให้หยุดอยู่เท่านั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่สันเสริญพบแม้แต่เล็กน้อยพบแม่เล็กแม่น้อยแม่นิดแม่น่อยพบแม้กระทั่งสุดท่าวาดพระองค์ยังไม่สรรเสริญเลยนนะฉั้นพระองค์จึง สอนไม่ให้พิสูุรูปนั้นประมาะแล้วก็พิกษุรูปนั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่นานก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์นี่มาดูสัทธาวิมุตต์บั่งนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ศัทธาวิมุตต์บุคคลเป็นไนะดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคืออรูปสมาบัติล่วงรูปสมาบัติด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็นอริยสัจนั้นด้วยปัญญาอันหนึ่งความเชื่อในพระตถาคตของผู้นั้นอของผู้นั้นตั้งมั่นแล้วมียากมีรากหยั่งลงแล้วศรัทธาเป็นศรัทธาชนิดต้นไม้มีรากใช่ไหมถ้าของปุถุชนนี่ศรัทธาประเภทไหนรากฝอยพอดูดซึมซึมไปก่อนเนี่ยนะลมพัดมาก็ล้มและเนรนาไปหมดแต่ของพราริยานี่มีรากแก้วเนี่ยเกาะลึกเรียกว่าลมพัดจากทิศไหน ก, ก็ก็ไม่หวั่นไหว เหมือนอย่างว่าเสาหินหรือเสาเขื่อนเนี่ยนะที่ฝังลงลึกไม่หวั่นไหวด้วยลมที่มาจากทิศ ท, ทั้งสี่ชันใดพระอริยบุคคลผู้เห็นอริญญยสัจก็ฉะนั้นย่อมไม่หวั่นไหวในลมปากของเดรธีทั้งหลายฉันนั้นเนี่ยนะคือคือไม่หวั่นไหวในลมปากของเดรธีทั้งหลายลมปากของเดรธีนี่สอนให้ทั่อะไรสอนให้เป็นทิศมิจฉาทิฐิบุคคล เพราะฉะนั้นท่านยังไงท่านก็ไม่เห็นไม่เป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนี่ออะไรเป็นเครื่องวัดว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือเป็นสัมมาทิฐิ อ, อะไรเป็นเครื่องวัดอไลัทธิมิจฉาทิฐิบุคคลเนี่ยนะอยู่บนพื้นฐานสกายะทิฏฐิทิฏฐิว่าเป็นตนเป็นของตนลัทธิเหล่านี้เนี่ยนะเรียกว่าสกายทิฏฐิ สำคัญว่าเป็นตนบ้างสำคัญว่าเป็นของตนบ้างพ่อสำคัญว่าเป็นตนสำคัญว่าเป็นของตนและตามด้วยอะไรตามด้วยว่าตนเนี่เที่ยงตนนี่ไม่เที่ยงสรุปตนนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยง อ, อะไรตายนี่มาไงเนี่เมาหลอกทีเดียวเองไปเลย <c oughs> เกิดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยสําคัญว่าตนเนี่ยมีสําคัญว่าของตนเนี่ยมีคําสอนพุทธเจ้าบอกว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อเราไม่มีแล้วว่าเราเอาอะไรมาเที่ยงเอาอะไรมาศูนย์เราก็ยังไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาเที่ยงเอาอะไรมาศูนย์แต่มิจฉาทิฏฐิบุคคลไม่บอกอย่างนั้นหรอกบอกว่าไงตนนี่เที่ยงตนนี่ศูนย์ พอรับที่ว่าเป็นตนนี่มีอยู่นั้นพระอริยะบุคคลเนี่ยคือผู้ที่มีศรัทธาที่เป็นรากตั้งลึกลงมั่นในพระตถาคตเนี่ยนะมีความรักไม่จางคลายไปจากพระตถาคตดูความพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่พิสูจนแม้นี้ข้อ น, นั้นเพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของพิสูจน์นี้เช่นนี้ว่าฉไนันท่านผู้นี้เสพเส น, สนาสนะอันสมควรคบหากัลยาณมิตรทําอินทรีย์ให้เสมออยู่พึงทําให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจันทร์อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปะชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ดังนี้จึงกล่าวว่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้ส่วนธรร ม, มานุสารีบบคลเป็นไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคืออารูปสมาบัติล่วงรูปสมาบัติ ด, ด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของท่านผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันหนึ่งทำทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมควรซึ่งความเพ่งพินิ์นะ ทำคืออริยสัจธรรม ท, ที่พระองค์สอนเนี่ยนะควรต่อการเพ่งพินิษโดยประมาณด้วยปัญญาของผู้นั้นอีกประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้คือสัจตินรีย์วิริยินรทรียสตินทรียสมาตินทรีปัญญินรียย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคล น, นี้เรากล่าวว่าธรรมานุสาวรีบุคคลดูความพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่พิสูุแม้นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของพิสูจน์นี้เช่นนี้ว่าฉไ น, นท่านผู้นี้เสพเสนนาสนะที่สมควรคบหากลยาณมิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่พึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจันร์อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ดังนี้เราจึงกล่าวว่ากิจที่ควรทาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแม้แก่พิสูจนนี้พระอริยบุคคลรูปสุดท้ายบอกว่าก็ศรัทธานุสาลีบุคคลเป็นไนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคืออรูปสมาบัติล่วงรูปสมาบัติ ด, ด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันนึ่งผู้นั้นมีแต่เพียงความเชื่อความรักในพระตถาคต เห็นอริยสัจด้วยปัญญาแต่ว่าดำรงอยู่ด้วยศรัทธาอีกประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้คือสัตทินรีวิริยินทรียสตินทรีสมาทินรีปัญญินทรียย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคล น, นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสาลีบุคคลดูความพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทย่อมเกิดแก่พิสูจนแม้นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของพิสูจนนี้เช่นนี้ว่า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 พระองค์ไม่ต้องสอนว่าอย่าประมาทนะมีอยู่สองท่านคืออะไรอุพโตภาคาวิมุตตกับปัญญาวิมุตตส่วนที่เหลือที่เหลือพระองค์สอนให้ทากิจด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะแต่ถ้ามีอยู่อีกข้อหนึ่งนะน่าฟังว่าดูก่อมพิสูจนทั้งหลายเราย่อมกล่าวการตั้งอยู่ในอรหั ต, ตผลด้วยการไปครั้งแรกเท่านั้นหามไม่ได้บรรลุทวดขึ้นมาเลยได้ไหม อยู่ขึ้นมาแล้วปิ๊งเหมือนมีไอเดียอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วบรรลุเลยมีไหมบางคนนะเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านไปนั่งนั่งที่ต้นโพนะอยู่แล้วก็ปิ๊งขึ้นมาเลยแบบอ q ิซังอ่ะนะเดูการ์ตูนมากมั่งเลยคิดแบบนั้นอ่ะนะไม่ใช่เป็นแบบนั้นหรอกการ